ยีวีสติมวัตหนึ่งอสัญจิตจกถา1 9ึ่ว่าด้วยความไม่จงใจ857ร้สกวาทีบุคคลไม่จงใจปรงชีวิตมารดาชื่อว่าเป็นผู้ทําอนันตริยกรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลไม่จงใจฆ่าสัตว์ชื่อว่าเป็นผู้ทําปานาติบาตใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีบุคคลไม่จงใจปรงชีวิตมารดาชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตริยกรรมใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาธีบุคคลไม่จงใจถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้พูดเท็ศชื่อว่าเป็นผู้พูดเท็จใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธี บุคคลไม่จงใจฆ่าสัตว์ชื่อว่าไม่เป็นผู้ทำปาณาติบาตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลไม่จงใจปรองชีวิตมารดาชื่อว่าไม่เป็นผู้ทำอนันตริยกรรมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลไม่จงใจถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ไม่จงใจพูดเท็จชื่อว่าไม่เป็นผู้พูดเท็จใช่ไหม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 ชือว่าเป็นผู้ทําอนันตริยกรรมมีอยู่จริงหรือประวาทีไม่มีสกวาทีพระสูตรที่ว่าบุคคลจงใจปรุงชีวิตมารดาชื่อว่าเป็นผู้ทําอนันตริยกรรมมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีหากพระสูตรที่ว่าบุคคลจงใจปรุงชีวิตมารดาชื่อว่าเป็นผู้ทําอนันตริยกรรมมีอยู่จริง ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลไม่จงใจปรุงชีวิตมารดาชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตาริยกรรม859ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้ฆ่ามารดาชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตริยกรรมใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีเขาปรุงชีวิตมารดาแล้วไม่ใช่หรือสกวาทีใช่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 หากเขาปรงชีวิตพระอระหันต์แล้วดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลผู้ฆ่าพระอระหันต์ชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตริยกรรมประวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้ทำ ร, ร้ายพระตถาคตจนถึงพระโลหิตพ่อชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตริยกรรมใช่ไหมส ก, กวาทีใช่ประวาทีเขาทำร้ายพระตถาคตจนถึงพระโลหิตพ่อแล้วไม่ใช่หรือ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 บุคคลผู้ทำลายสงให้แตกกันไม่เป็นผู้เข้าถึงอบายไม่เข้าถึงนรกตลอดกับไม่ใช่ผู้แก้ไขไม่ได้มีอยู่จริงไม่ใช่หรือปร ว, กกรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลผู้มีความสำคัญว่าชอบทำทำลายสงให้แตกกันชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตริยกรรม8ปดร้ 2, ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่า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 สเสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดกับเพราะทาลายสงที่สามัคคีกันให้แตกแยกกันมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาธีใช่ปรวาธีดังนั้นบุคคลผู้ทาลายสงให้แตกกันจึงชื่อว่าเป็นผู้ทาอนันตริยกรรมอสัญจจิจะกะถาจบสองยานะกะถา195วรยาิตยาแปดกสกวาธี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 ควางเข้าไปกําหนดจำเพาะของปุถุชนมีอยู่ไม่ใช่หรือปรวาทีใช่ส ก, กวาทีหากปัญญากริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเข้าไปกําหนดจำเพาะของปุถุชนมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ายานไม่มีแก่ปุถุชน864พยหกสิี่กวาทียานไม่มีแก่ปุถุช น, 64, กก น, ชนใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาธีปุตุชนเข้าปฐมฌานได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีหากปุตุชนเข้าปฐมฌานได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ายานไม่มีแก่ปุตุชนสกวาธีปุตุชนเข้าทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานอากาสานัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌานอากินจัญญายตนะฌาน เนวสัญญาณาสัญญายตนาชาญพึงให้ทานจีวรบินทบาตเสนาสนะกิลานปัจจัยเภสัชบริการได้ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีหากปุถุชนให้กิลานปัจจัยเภสัชบริการได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ายานไม่มีแก่ปุถุชน865ประวาทียานของปุถุชนมีอยู่ใช่ไหม สกวาทีใช่ประวาทีปุถุชนกำหนดรู้ทุกละสมุทัยทำให้แจ้งนิโรธจเจริญมักได้ด้วยยานั้นใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นยานกถาจบ 3. นิรยปาละกถา196ว่าด้วยนายนิริยบาล866รักกกวาที นายนิว ร, รยายบาลไม่มีในนรกใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีเครื่องสาหรับลงอาญาไม่มีในนรกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเครื่องสาหรับลงอาญามีอยู่ในนรกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีนายนิวรายบาลมีอยู่ในนรกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีเครื่องสำหรับลงอาญามีอยู่ในมนุษย์และผู้ลงอาญาก็มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีเครื่องสำหรับลงอาญามีอยู่ในนรกและผู้ลงอาญาก็มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีเครื่องสำหรับลงอาญามีอยู่ในนรกแต่ผู้ลงอาญาไม่มีใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีเครื่องสําหรับลงอาญามีอยู่ในมนุษย์แต่ผู้ลงอาญาไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น8ปด้อยหกิปรวาทีนายนิรยบาลมีอยู่ในนรกใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีประสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าท้าเวสภู เท้าเปติราชเท้าสโสมไม่ได้ฆ่าเท้ายามะและเท้าเวสสว ร, ร์ก็ไม่ได้ฆ่ากรรมของตนเองฆ่าบุคคลผู้สิ้นบุญจากโลกนี้เกิดในปรโลกในนรกนั้นมีอยู่จริงไม่ใช่หรือส ก, กวาธีใช่ปรวาธีดังนั้นนายนิรยาบาลจึงไม่มีในนรก868ส ก, กวาธี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 เผ็ดร้อนณที่นั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นไปมีอยู่จริงมิใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีดังนั้นนายนิรยาบาลจึงมีอยู่ในนรกสกวาทีนายนิรยาบาลไม่มีในนรกใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า พลิกตุ้ดทั้งหลายนายนิรยาบาลจุดลากเขาไปเอาขวานถากนายนิรยาบาลจับเขาเอาเท้าขึ้นเอาศี่สะลงเอามีดเฉือนจับเขาเทียมรถแล่นกลับไปกลับมาบนพื้นอันร้อนลุกเป็นเปลวโชดช่วงบังคับเขาขึ้นลงภูเขาฐานเพลิงรูปใหญ่ที่ไฟลุกโชนจับเขาเอาเท้าขึ้นเอาที่สะลง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 นายนิปรยาบาลจับเขาทุ่มลงไปในมหานรกก็มหานรกนั้นมีลักษณะดังนี้มีสี่มุมสี่ประตูแบ่งกำหนดออกเป็นส่วนมีกำแพงเหล็กล้อมรอบครอบด้วยฝาเหล็กมีพื้นเป็นเหล็กลุกชดช่วงแผ่ความร้อนไกลด้านละหนึ่งร้อยโยต์ตั้งอยู่ทุกเมื่อมีอยู่จริงไม่ใช่หรือประวาทีใช่ สกวาธีดังนั้นนายนิปรยาบาลจึงมีอยู่ในนรกนิปรยาปาลกถาจบสีติรชานกถาหนึก้าสิบเว่าด้วยสัตติรชาน869รกสก้วาทีสัตติรชานมีอยู่ในหมู่เทวดาใช่ไหมปรวาทีใช่ใชสกวาทีเทวดามีอยู่ในหมู่สัตติรชานใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีสัตติวรชานมีอยู่ในหมู่เทวดาใช่ไหมปรวาทีใช่สกาวาทีเทวโลกเป็นภูมิของสัตติวิรชานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นศักาวาทีสัตติวิรชานมีอยู่ในหมู่เทวดาใช่ไหมปรวาทีใช่สกาวาทีในหมู่เทวดานั้นมีแมลง สักแ ต, แตนยุงแมลงวันงูแมลงป่องตะขาบไสเดือนใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น870เจประวาทีสัตว์ดิรกชานไม่มีในหมู่เทวดาใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีช้างประเสริฐชื่อเอราวันยานทิพเทียมด้วยม้าพันตัวมีอยู่ในหมู่เทวดานั้นมิใช่หรือ สกวาธีใช่ปรวาทีหากช้างประเสริฐ ช, ชื่อว่าเอราวันยานทิพเทียมด้วยม้าพันตัวมีอยู่ในหมู่เทวดานั้นดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสัตติระฉานมีอยู่ในเทวโลก8ปดพันเจ็ดกวาธีสัตติระฉานมีอยู่ในเทวโลกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธี ในเทวโลกนั้นมีพวกผูกช้างพวกผูกมา้าพวกตะพุ่นยาพวกผู้ฝึกพวกธรอาหารสัตว์ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีดังนั้นสัตว์ดุริชานจึงไม่มีในเทวโลกติรัชานกถาจบหมขครกถา 198. ว่าด้วยมักแปดร้อสกวาที มักมีองค์ห้าใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมักมีองค์แปดคือสมาธิทฐิเป็นต้นละสัมมาสมาธิพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากมักมีองค์แปดคือสมาธิทฐิละสัมมาสมาธิพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ามักมีองค์ห้าสกวาที มักมีองค์ห้าใช่ไหมปรวาทีใช่ั ก, กวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบรรดามักมักมีองค์แปดประเสริฐที่สุดบรรดาสัจจะสัจจะสีประเสริฐที่สุดบรรดาธรรมวิวราคาธรรมประเสริฐที่สุดบรรดาสัตสองเท้าพระตถาคตผู้มีพระจักสุปประเสริฐที่สุดมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรวาที ใช่สกวาทีดังนั้นมรตจึงมีองค์8 8ดแร้อยเสกวาทีสัมมาวาจาเป็นองค์มรตแต่สำมาวาจานั้นไม่เป็นมรตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสมาธิฏิเป็นองค์มรตแต่สมาธิฏฐินั้นไม่เป็นมรตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสำมาวาจาเป็นองค์มรต แต่สัมมาวาจานั้นไม่เป็นมรช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีสัมมาสังกัปปะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นองค์มรแต่สัมมาสมาธินั้นไม่เป็นมรใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัมมากรรมันตะและสัมมาอาชีวะเป็นองค์มรแต่สัมมาอาชีวะนั Hunter, ้นไม่เป็นมรใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีสัมาธิฏิละสัมมาสมาธิเป็นองค์มรรคแต่สัมมาสมาธินั้นไม่เป็นมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสมาธิฏฐิเป็นองค์มรรคและสมาธิฏฐินั้นเป็นมรรคใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัมมาวาจาเป็นองค์มรรคและสัมมาวาจานั้นเป็นมรรคใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสมาทิฐิเป็นองค์มรรคและสมาธิฏฐินั้นเป็นมรรคใช่ไหมปวปรวาทีใช่สกวาทีสมากรรมันตสัมมาอาชีวะเป็นองค์มรรคและสัมมาอาชีวะนั้นเป็นมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัมมาสังกัปปะ สัมมาวายมะสมาสติสัมมาสมาธิเป็นองค์มรรคและสัมมาสมาธินั้นเป็นมรรคใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวะเป็นองค์มรรคและสัมมาอาชีวะนั้นเป็นมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น8ปดร้อยเปรวาทีอริยมรรคมีองค์แปดใช่ไหม ักวาธีใช่ปรวาธีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่ากายกรรมบจีกรรมอาชีวะของบุคคลนั้นจัดว่าบริสุทธิ์ดีแล้วในเบื้องต้นนั้นแลเมื่อเป็นอย่างนี้อริยมรตมีองค์แปดนี้ของเขาย่อมถึงความเจริญเต็มที่มีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาธีใช่ปรวาธีดังนั้นมรตจึงมีองค์ห้า แปดร้อยสหสกวาทีมักมีองค์ห้าใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าสุพัทธะในธรรมวินัยที่ไม่มีอริยมรคมีองค์8ย่อมไม่มีสมณะที่หนึ่งย่อมไม่มีสมณะที่สองย่อมไม่มีสมณะที่สาย่อมไม่มีสมณะที่สี่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 ก็มีอยู่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้นพระทิอื่นว่างจากสมณะทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงสุพัทธะถ้าบิกสุเหล่านี้เป็นอยู่โดยชอบโลกจะไม่พึงว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายมีอยู่จริงมิใช่หรือประวาทีใช่ส ก, กวาทีดังนั้นมักจึงมีองค์แปดมัคคกถาจบหกยานกถาห9ึราิ 199. ว่าด้วยยาน แปดัสกวาทียานที่มีวัตถุ12เป็นโลกุตระใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโลกุตระยานมีสิองใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโลกุตระยานมีสิบสอใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโซดาปฏิมักมี12ใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโสดาปฏิมักมีสิบสองใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโสดาปฏิผลมีสิบสองใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสกทาคามรมักอนาคามรมักอรหัตมักมีอย่างละสิบสองใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที อรหัตตะมักมีสิบสองใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีอรหัตตผลมีสิองใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น8ปดร้อยเปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่ายานที่มีวัตถุสิองเป็นโลกุตระใช่ไหมักวาทีใช่ปรวาที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 ควรกำหนดรู้ภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ bunları, ้นแล้วละแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่าทุกขอริยสัตว์นี้เราได้กําหนดรู้แล้วภิกษุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วละแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่านี้ทุกขะสมุททยอริยสัต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 แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสะดับมาก่อนว่าทุกขนีโรธคามินีปฏิปทาอริยสัต์นี้เราได้ให้เจริญแล้วมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาธีใช่ปรวาธีดังนั้นยานที่มีวัตถุสิบสองจึงเป็นโลกุตระยาณกถาจบวีสติมวั์จบ รวมกาถาที่มีในวัดนี้คือ 1. อสัญจิตจกถาสญาณกถา 3. นิระยะปารกรถา 4. ติรัชานกถา5้ามะะรคคกถาหกานกถาจตุถปัญธาจบรวมวัดที่มีในจตุธธ 16, ะถะปัญธา t น i s is the 16th chapter beginning with nikha h a 17 เริ่มด้วยอธิอรหัตโตปุญญูปัจจโยติกถาวรที่18เริ่มด้วยมนุสสะโลกกถาวรที่19เริ่มด้วยกิเลสะชหานะกถาวรที่ี่สิบเริ่มด้วยอสัญจิจกถา